ดื่มน้ำเพื่อร่างกายร่างกายนี้เป็นตัวที่บุ่นวายที่สุดตัวที่ทำให้พวกเราต้องดิ้นรนกันเหนื่อยยากกันลำบากกันของทุกอย่างที่เราผลิตขึ้นมานี่ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อมาดูแลเลี้ยงดูร่างกายกัน สินค้าต่างๆที่เราไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าร้านขายของต่างๆส่วนใหญ่ขายเพื่อให้มาสนับสนุนร่างกายให้อยู่ไปดูแลยังไงเลียงดูยังไงก็เดี๋ยวมันก็ต้องตายไป แต่สิ่งที่ไม่ตายพวกเรากลับไม่ค่อยมาดูแลกันไม่เลี้ยงดูกันสิ่งที่ไม่ตายก็คือใจใจผู้ที่มาดูแลร่างกายไม่ได้ดูแลตัวเองเพราะไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายก็เลยไปเลี้ยงดูร่างกายไปเลี้ยงคนอื่นไปดูแลคนอื่นไม่ดูแลตัวเอง ตัวเองวุ่นวายตัวเองอวิตกกังวลห่วงใยหวาดกลัวพเพราะไปถงคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายและร่างกายของคนอื่นเป็นเป็นพ่อบ้างเป็นแม่บ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้าง เป็นลูกบ้างเป็นสามีเป็นภรรยาบ้างวุ่นวายไปกับการดูแลร่างกายของตนเองและร่างกายของผู้อื่นดูแลกันยังไงเดี๋ยวมันก็ตายกันไปตายแล้วยังไม่พอยังไม่เข็ดยังกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาวุ่นกับมันใหม่เนี่ยนี่คือ ความหลงมันหลอกให้เราร่างกายของคนอื่นก็เป็นของพ่อของแม่ของพี่ของน้องควาจริงมันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นตัวจริงของจริงตัวจริงของจริงเขคือใจของแต่ละคนอันนี้เป็นตัวจริงของจริงเตัวที่ไม่ตายแต่ตัวที่วุ่นวายร่างกายมันไม่วุ่นวาย ตัวที่ตายมันไม่วุ่นวายร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเป็นร่างกายเหมือนกับกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรอกเขาก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของเขาเขาจะเสียเขาก็ไม่บ่นเขาจะเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้มีความ วิตกกังวลเดือดร้อนแต่อย่างไรเพราะเขาไม่มีตัวรู้ตัวรู้นี้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราแต่ตัวรู้นี้กำลังหลงหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายของคนอื่นก็เป็นของเราเจรร่างกายของสามีของภรรยาก็เป็นของเรา ร่างกายของลูกของบิดามารดาก็เป็นของเราพออะไรเป็นของเราเราก็อยากจะให้เป็นของเราไปตลอดเวลานะร่างกายมันก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวฉันก็ต้องแก่แล้วฉันก็ต้องเจ็บแล้วฉันก็ต้องตายแล้วจะให้ฉันเป็นของเธอไปตลอดได้อย่างไร ของนี่เป็นของเธ อ, อเธอกับแม่ดูแล ura, แม่รักษาใจนี่เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของจริงของแท้เป็นตัวที่ไม่มีวันตายแต่เรากลับไม่รู้จักตัวของเราเองเรากลับไปรู้จักตัวที่ไม่ใช่เป็นของเราเพราะตัวของเราตัวจริงแท้จริงของเรานี่มัน ไม่มีรูปร่างให้เราเห็นนั่นเองเราไม่เห็นใจเราเลยไม่รู้ว่าเรามีใจเราคิดว่าใจนี้เป็นส่วนประกอบของร่างกายคิดว่าร่างกายตายใจก็ตายไปกับร่างกายใจตายร่างกายตายใจก็ตายฉัร่างกายเลยเป็นเป้าหมายของขอ ง, ของการดูแลรักษาของใจ ดูแลรักษาของใจเลยทำให้กายเป็นโทษแก่ใจดูแลรักษาร่างกายเลยกายเป็นโทษกับใจเพราะมันทำให้ใจเครียดทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจไม่มีความสุขเลยเพราะว่าสิ่งที่เราไปยึด ไปถือว่าเป็นของเรามันไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากให้มันเป็นเราอยากให้มันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงเราอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดแต่มันไม่ยอมเป็นของเราไปตลอดอ๋อมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเราก็ไม่สบายใจเวลาร่างกายเราแก่เราก็ไม่ค่อยสบายใจกัน เวลาร่างกายมันเจ็บเราก็ไม่สบายใจเวลาร่างกายมันตายเราก็ไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดจากความหลงของเราเองของใจที่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเราไม่มีพระพุทธจเจ้ามาตัดสร้มาบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา อย่าไปกังวลกับมันอย่าไปวุ่นวายไปกับมันเลี้ยง ม, มันเหมือนเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งก็พอให้มันอยู่ได้ไม่ต้องให้มันไม่ต้องไปสร้างปราสาทราชวังให้มันอยู่ไม่ต้องไปสร้างเข้าหาดอันใหญ่โตให้มันอยู่เลี้ยง ม, มันแบบเลี้ยงสุนัข พระพุทธเจ้าเลี้ยงร่างกายของพระพุทธเจ้าแบบสุนัขใช่ไหมปล่อยไปอยู่ในป่าอยู่กับพวกสิงสาราสัตว์ร่างกายของพระพุทธเจ้านี้อยู่บยแบบสัตว์เดรัจฉานแต่ใจอยู่แบบพระแต่ร่างกายนี้ท่านให้มันอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานให้มันหาที่อยู่ไปตามมีตามเกิด สมัยพุทธกาลไม่มีวัดไม่มีกุฏิพระพุทธเจ้าอยู่ตามโคนไม้เอากิ่งมง้งกิ่งไม้เอาใบา ม, ม้งใบไม้มามงุงมาบางังทำที่หลบแดดหลบฝนอยู่แบบนั้นขับถ่ายก็ถ่ายในป่า น, นั่นแหละสมัยนี้อินเดียก็ยังถ่ายกันข้าง ใ, ในทุ่งกันตอนเช้าเดินขึ้นมานี่ยชาวบ้านก็นเดินเข้าไปในทุ่งกันลนะ เขาไม่มีห้องน้ำห้องท่าเลี้ยงอยู่เลี้ยงร่างกายแบบนั้นมันสบายไม่วุ่นวายถ้าเลี้ยงแบบเศรษฐีเลี้ยงแบบพระราชามหากษาัตริย์นี่มันยุ่งยากต้องสร้างปราสาทราชวังต้องสร้างเข้ารหาสน้องนีอะไรร้อยแปดพันประการแล้วพอมัน ไม่มีขึ้นมาก็วุ่นวายกันแต่อยู่แบบในรยาทานี่สบายโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีห้องน้ําห้องท่าไม่มีปะปาไฟฟ้าไม่มีใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์ตน่อยเวลามืดก็ไม่ต้องใช้มันไม่ต้องใช้แสงสว่างนั่งหลับตาหรือนอน พักผ่อนหลับนอนอยู่แบบนั้นกับสบายใจกว่าอยู่แบบในวังอยู่แบบในปราสาลราชวังอยู่ในขาลาราชาอันใหญ่โตอยู่แล้วก็ต้องมีสิ่งต่างๆมาสนับสนุนต้องมีคนใช้คน เก็บคำกว่าคนดูแลรักษาก็ต้องมีค่าจ้างก็ต้องมีเงินมีทองต้องมีรายได้ต้องหารายได้กันหาเงินหาทองกันเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราไปเลี้งให้มันเหนื่อยทาไมเหมือนไปเลี้ยงคนรับใช้น่านกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ ใจเป็นนายกลายเป็นเบาวแต่เบาวกับอยู่สบายกว่านายนายนี่วุ่นวายต้องมาคอยรับใช้เบาวต้องมาสร้างเขาละหาด ห, หลังละลอยล้านขึ้นมาให้เขาหาดอยู่หารถราคาสิบล้านยี่สิบล้านมาให้มันนั่งซื้อเสื้อผ้าชุดละหมื่นชุดละแสนมาให้มันใส่รับใช้คนใช้แท้ๆไม่รู้สึกตัว หลงกันนกระทั้งไม่รู้ว่าตัวเองกําลังไปเป็นคนรับใช้เขาคนฉลาดคนที่รู้ว่าเป็นคนรับใช้เขาจึงไม่เลี้ยงนั่งกายให้มันดูหลาให้วุ่นวายไปพระพุทธเจ้าสอนลุกขมูลลาเสนาสนังใช้ต้นไม้ลุกขมูลคือโคนไม้อยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่า หรือม่ฉะนั้นก็อยู่ตามถ้าตามเงื้อมผาตามเดือนร้างไม่ต้องไปสร้างให้เสียเงินเสียทองถ้ามีเดือนร้างที่ไหนก็ทิ้งก็ไปอยู่ไม่มีคนอยู่เพราะไม่มีไฟฟ้าไม่มีป่าปาไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามีนี่คือวิธีการอยู่ของคนฉลาด พอรู้ว่าร่างกายเป็นคนใช้ไปเราปลูกบ้านเวลาเราปลูกบ้านแล้วเราปลูกห้องให้คนใช้อยู่เราปลูกแบบห้องของเราอยู่หรือเปล่ปาไปดูบ้านของเศรษฐีดิห้องของตัวเองกับห้องของขอ ง, ของคนใช้เป็นยังไงห้องของคนขับรถห้องของคนอทํากับการนี่ห้องของเขาแบบพอให้อยู่ได้เท่า น, น, นั้นแหละไม่มีอะไร แต่ห้องของตัวเองนี่โอ้โหยิ่งกว่าสวรรค์เลยมีอะไรเครื่องอำนวยความสะดความสะดวกร้อยแปดพันประการน้ำร้อนน้ำเย็นเครื่องทำเครื่องปรับอากาศร้อนเย็นถ้าหนาวก็ปรับให้มันร้อนถ้าร้อนก็ปรับให้มันเย็นพื้นก็ต้องปูพรมให้มันนิ่มเดินให้มันสบายเนี่ย ทำให้คนใช้แท้ๆไม่รู้สึกตัวคิดว่าทำให้ตัวเองที่แท้ทำให้คนใช้ตัวเองนอนกายหน้าผากอ้วกปวดหัวปัญหาร้อยแปดในจะต้องกังวลกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองเจ็ดเครื่องป้องกันภัยนิรภัยหลายหายชนิดป้องกันไฟป้องกัน ร้อยแปดใจนี่นอนไม่หลับใจไม่ใครนี่นอนกายหน้าผากคนใช้นอนสบายอยู่สบายแต่เจ้านายนี่ต้องมาคอยเฝ้าคอยเป็นรอปภปกป้องรักษาคนใช้อยู่ตลอดเวลาคนรับใช้ตลอดเวลานี่คือความหลงทำให้เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา คิดว่าคนรับใช้นี่เป็นเป็นเราเราก็เลยโอ้โหเลี่ยงดูมันอย่างสุดสุดเลยอาหารก็สุดสุดเสื้อผ้าก็สุดสุดเวลาไม่สบายก็รักษากันแบบสุดๆดเลยต้องลงไปบบานหมอชั้นเลิศชั้นที่หนึ่งถ้าที่นี่ในประเทศนี้ไม่ดีพอก็ไปเมืองนอกกัน เมินไปมันนอกพาคนคนใช้ไปรักษาแต่รักษาไงมันก็ถึงเวลามันก็ตายอยู่ดีหมอวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนมันก็สู้ความตายไม่ได้พอถึงเวลาร่างกายนี้มันจะตายไม่มีใครยั้งมันได้ไม่มีใครยืมันได้ แล้วก็เครียดไปกับการรักษาทุกข์ไปกับมันตลอดเวลาคนที่ฉลาดเขาไม่ทุกข์แดูพระปฏิบัตินี่ท่านไม่ค่อยเข้าลงพยาบาลนะเข้าไปทำไมเข้าไปให้โง่ท่านรักษาตัวท่านาไม่รักษาร่างกายร่างกายปล่อยให้มันตายไป มันเป็นคนรับใช้ไปไปไปรักษามันทำไมก็รักษามันตามสภาพมีข้าวกินข้าวได้ก็ข่อยให้มันกินไปดื่มน้าได้ก็ดื่มไปกินยาได้ก็กิกนไปกินไม่ได้ก็พอไม่ต้องไปผ่าไปตัดไปทาอะไรให้มันวุ่นวาย อ, อ๋อทำไงเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีเมือม่อเมื่อมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราจะไปวุ่นวายกับมันไหม เราไปวุ่นวายกับคนรับใช้ของเราเหมือนกับเราวุ่นวายกับร่างกายของเราหรือเปล่าถ้าเราไม่สบายเราก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนถ้าคนใช้ไม่สบายก็เข้าโรงพยาบาลสามสิบาทรักษาทุกโรคแล้วเวลารักษาคนคนใช้นิสายใจไม่สบายคนใช้มันจะเป็นจะตายเราก็ไม่ไปทุกข์อะไรกับมัน เรารู้ว่ามันเขาไม่ได้เป็นตัวเราเขาเป็นคนรับใช้เราแต่คนที่รับใช้เราจริงๆเรากลับไม่รู้ก็คือร่างกายของเรานี่มันก็เป็นเหมือนคนรับใช้คนหนึ่งแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเสียคนรับใช้คนนี้เลยได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษดูแลดียิ่งกว่าคนใช้คนอื่น นี่แหละคือที่มาของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆขงของมนุษย์ของพวกเราทั้งหลายว่าเป็นหลงคิดว่าร่างกายนี้ที่เป็นคนรับใช้ของเรานี้เป็นเราเราก็เลยสร้างบ้านอันใหญ่โตให้คนรับใช้อยู่หาอาหารอันหรูหราหาเลี้ยงหาเสื้อผ้าอันวิจิตรพิสดารมาสวมใส่ หาอยู่ขายาหาหมอหาโรงพยาบาลที่มีราคาแพงๆเข้าไปทีคืนละอย่างน้อยก็สองสามหมื่นแล้วเป็นไข้หวัดไปนอนโรงพยาบาลเอกชนออกมาเขาบอกหมดไปหลายหมื่นถ้าไปโรงพยาบาลรัฐก็สามสิบบาทแล้วก็หายเหมือนกันถ้าตายก็ตายเหมือนกัน นี่คือความหลงมันครอบงำจิตใจของเราทำให้เราไม่รู้จักตัวเราเองว่าเป็นใครและต้องการอะไรใจของเรานี้ก็ต้องการความสุขเหมือนกับร่างกายร่างกายต้องการปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มอันนี้ก็ให้มันไปแบบอพอเพียงก็พอ อย่างที่ในหลวงทรงสอนอยู่เรื่อยๆเศรษฐกิจพอเพียงท่านรู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเลี้ยงมันพอให้มันอยู่ได้ก็พออย่าไปวุ่นวายเนี่ยนักการเมืองมันชอบมาหลอกพวกเราเลือกผมแล้วผมจะเลี้ยงดูร่างกายของพวกท่านให้อยู่อย่างอิ่มมีพีมันมันเป็นไปได้ไหนเวลามันเข้าไปมันเลี้ยงไข่มันก็เลี้ยงตัวมันก่อน มันไปนเลยงพวกเราที่ไหนใช่ไหมดูนักการเมืองเข้าไปแล้วอิ่มมีพีมันกันไหมร่ํารวยกันไหมประชาชนที่เขาบอกจะมาเลี้ยงดูให้อิ่มมีพีมันเป็นยังไงอิ่มมีพีมันไหมยริ่มยากจนเหมือนเดิมนั่นแหละมากี่ยุคกี่สมัยก็มาแบบเดียวกันนี่แหละมาพูดจาหวาน คนฟังก็โง่เชื่อเขาความจริงก็ไม่ได้เชื่อหรอกถูกเขาซื้อเข า, าจ่ายคนละห้าร้อยก็ไปเลือกเขาแล้วได้ห้าร้อยแต่เขาได้ห้าร้อยล้านนี่คือปัญหาของโลกปัญหาของโลกก็คือความหลงไม่รู้ว่าตัวเราเป็นใคร ไปคิดว่าร่างกายที่เป็นคนรับใช้นี้เป็นตัวเรากันก็เลยไปวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายของคนรับใช้กันไม่ได้มาดูแลตัวเราเองตัวเราเองต้องการความสุขแต่เราไม่รู้วิธีให้ความสุขกับตัวเราเองไปคอยเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราสุขไนหะได้ ได้มาอะไรได้อะไรมาม า, มากน้อยเพียงไรได้ลาบยศสนล้าสริญมามากน้อยเพียงไรแล้วแรงสุมั้ยก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมยังวิตกกังวลอยู่เหมือนเดิมยังหวาดกลัวอยู่เหมือนเดิมก็เพราะว่าเราไม่เคยดูแลรักษาตัวเราเลยเราไปดูแลแต่คนรักใช้เรา ไ่ดูร่างกายดูยังไงดีขนาดไหนก็ไม่สามารถเก็บมันไว้ได้ไปตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องตายจากเราไปมีพระพุทธเจ้านี่ยฉลาดที่เห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นคนรับใช้ท่านเลยเอามันออกไปจากวางังแม่มันอยู่ในวงังอยู่ในวังแล้วเครียด ต้งเลี้ยงมันแบบเลี้ยงอยู่ในวังนี่มันเครียดให้มันเลี้ยงแบบอยู่ในป่า น, นี่มันสบายกว่าเช้าก็ให้เดินบินธบัตถือบาทเข้าไปในหมู่บ้านเขาจะให้อะไรมากินก็กิกนลงไปอยู่แบบเดรัจฉานเนี่ยร่างกายนี่ร่างกายของพระนี่อยู่แบบเดรัจฉานกันนุคมูลลเสนนาสนางอยู่ตามโคนไม้ ยารักษาโรค ก, ก็น้ำปัสสาวะนี่แหละผ้าก็ผ้าหอ่อศพผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้ายเครื่องนุ่งหม่มไม่ต่างกับเดรัจฉานเลยอยู่แบบเดรัจฉานเพราะท่านเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นคนรับใช้เราไปเหนื่อยกับการเลี้ยงดูมันทำไมก็เลี้ยงดูมันแบบพอเพียงแบบเศรษฐกิจพอเพียง พองให้มันอยู่ได้เบ็สบาดวันกนะัางก็อยู่ได้แล้วเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยก็ไปทำเพิงทำอะไรอยู่ใต้โคนไม้พอรบแดดลบฝนได้ยารักษาโรคก็ดื่มน้ำปัสสวะไปเวลาไม่สบายก็ดื่มน้ำปัสสวะไปย่าดองน้ำมูด ผ้าก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าห่อศพนี่เอามาเอามาตัดมาเย็บมาปะให้มันเป็นผืนห่มเอแล้วก็ใช้น้าต้มน้ำด้วยแก่นไม้เป็นเป็นการซักผ้าต้มให้มันเดือดเอาแก่นไม้ใส่เข้าไปแก่นไม้มันก็มีสีเหลืองเหลือออกมา ผ้าก็เลกเป็นผ้าสีเหลืองกขึ้นมาผ้ากาสาวพัทนี่คือการเลี้ยงดูร่างกายแบบคนฉลาดถ้าเลี้ยงดูแบบคนงอ ก, ก็ปราสาทสามฤดูพระพุทธเจ้าเคยง่อมาก่อนเคยอยู่ปราสาทสามฤดูหน้าร้อนก็อยู่ปราสาทหลังหนึ่งสร้างไว้เพื่อให้มันเย็นสบาย หน้าหนาวก็อยู่อีกหลังหนึ่งให้มันอบอุ่นไม่ให้มันหนาวหน้าฝนก็มีประสาทกันฝนสาดกันแดดกั น, ก, นกันน้ากันฝนมีประสาทสามฤดูนี่อยู่แบบคนโง่เลี้ยงร่างกายเลี้ยงคนใช้เพราะโง่เพราะไปคิดว่าคนรับใช้คือร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ต่อหลังท่านฉลาดท่านว่าเอ้ยไปเลี้ยงเป็นให้มันเหนื่อยทำไมมันเป็นเพียงคนรับใช้เราเลี้ยงมันแบบคนรับใช้สิให้มันอยู่แบบคนรับใช้การมันอยู่แบบสุนักนี่แหละอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานให้มันพอมีพอกินใบวันวันหนึน่งก็จบแล้วมาเลี้ยงตัวเราดีกว่าตัวเราของเราแท้แท้นี้ต้องการอะไรตัวเราของเราก็คือต้องการความสงบ นีนะ่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสรุ้ทรงค้นพบความจริงว่าตัวพระองค์เองนี่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้ตัวพระอ ง, องค์คือใจที่รู้ที่คิดที่วุ่นวายไปกับการเลี้ยงดูคนรับใช้ตอนนี้ฉลาดแล้วไม่วุ่นวายไปกับมันแล้วเลี้ยงมันไปตามอัตภาพ ตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปเพราะว่าเลี้ยงยังไงดียังไงมันก็ไปอยู่ดีไปช้าไปเร็วแล้วก็ถ้ามาเลี้ยงดูใจแล้วร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะอดอยากขาดแคลนยังไงมันก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาใหญ่อยู่ที่ใจ ที่ไม่รู้จักเลี้ยงดูตัวเองให้สงบให้มีความสุขพอเป็นหลงเลี้ยงดูร่างกายไปวิตกไปห่วงใยกับเรื่องของร่างกายจึงทําให้ตัวเองไม่มีความสุขเลยถ้าเลี้ยงดูตัวเองให้มีความสุขแล้วปล่อยให้ร่างกายมันอยู่ตามอัตภาพนี้จะไม่เดือดร้อนไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยการทุกข์ยาก การอดอยากขาดแคลนของร่างกายแต่อย่างใดเพรา ะ, ะความทุกข์ของร่างกายนี้มันเป็นส่วนย่อยไ ม, ไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับความทุกข์ความสุขของใจความทุกข์ของใจนี่หนักหนาสาหัสกว่าความทุกข์ของร่างกายมากเวลาร่างกายสุขแต่ถ้าใจทุกข์แล้ว อยู่ไม่เป็นสุขนะแต่เวลาร่างกายแต่เวลาใจสุขนี่ร่างกายจะทุกข์ขนาดไหนก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายเวลาพระพุทธเจ้าแก่เจ็บตายนี่ท่านไม่เดือดร้อนเลยกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะท่านมีความสุขใจท่านรู้จักวิธีสร้างความสุขใจขึ้นมา แลรู้สักวิธีรักษาความสุขใจนั้นให้อยู่ไปอย่างถาวร อ, อันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนอันเหทิศทางถ้ามองในทางโลกก็คิดว่าท่านบ้าหรือท่านโง่มีใครบ้ามั้งมีใครที่เป็นราชทายาทที่จะสละราชสมบัติแล้วไปอยู่แบบขอทานบ้างไม่มีหรอกไม่มีใครในโลกนี้หรอก มีพระพุเจ้าเราคนเดียวนั่นแหละที่ถ้าในสายตาของทางโลกก็ว่าบ้าหรือโง่คนเสียสติทนั้นที่จะสล ะ, ะปราสาทสามฤดูสละความสุขของราชโอรสแล้วก็ไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบเดลฉานอยู่ในป่า ในป่าก็มีแต่เดรฉานทั้งนั้นไม่มีมนุษย์เข้าไปอยู่กันมีมนุษย์ก็พวกบ้านี่แหละพวกที่พวกที่เนี่ยพวกที่ติดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอรันตสาวกในสายตาของคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้ามองแบบทางโลกเขาว่าบ้า สมัยที่เราจะบวชเราไปบอกพ่อว่าเราจะไปบวชพ่อเขาเรายังพี่ว่าเราบ้าเลยคุณยะาบ้ารูป้ป่ะอยู่ไปเรียนหนังสือมึง น, นอกเมืองนา ม, มาถทาเป็นแทบตายเพื่อให้มึงมาทำหากินมีความสุขมึงกลับจะไปเป็นขอทานบ้าหรือเปล่าถึงกลับร้องไห้นะพ่อไวแล้วบอกว่เราจะไปบวช ก็มองคนละมุมเขามองในทางร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเรากลับไปมองว่ามันเป็นคนรับใช้ตัวเราเราไม่ดูแลมันเลยไปเรียนหนังสือไปทางานทาการก็มาเพื่อมาเลี้ยงดูรับใช้คนรับใช้ของเราแต่เต่าตัวเรานี่วุ่นวายเหมือนเดิมเครียดเหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิม กังวลเหมือนเดิมวิตกกังวลห่วงใยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจากการเรียนหนังสือจบปริญญาใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่ได้งานได้การได้อะไรมาได้สมบัติได้ข้าวของได้เครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆอยู่เมืองนอกมันก็อยู่แบบดีกว่าอยู่เมืองไทย มีอาพาร์เม้นอาพาร์ตเม้นมีเครื่องปรับอากาศมีรถยนต์ขับมีอะไรมันก็เป็นเรื่องของร่างกายเท่านั้นเรื่องของใจก็เหมือนเดิมเรื่องของใจก็วุ่นวายเหมือนเดิมไม่สบายใจเหมือนเดิมเนี่ยมันทำให้คิดเอ้เราเรียนมาแทบเป็นแทบตายแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเลย พ อ, อได้มาอ่านหนังสือธรรมะพระพุทธเจ้าบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นตัวสําคัญไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันเป็นคนรับใช้ใจเป็นนายเราต้องมาดูตัวเราซิตัวเราเนี่ยที่เป็นเจ้านายของร่างกายตอนนี้เราไม่ได้ดูแลมันใจของเราเลยวุ่นวายวิตกกังวลหวาดกลัวมีเรื่องมีราววุ่นวายไปหมดเี่ มีทั้งรักมีทั้งชังมีทั้งอิจฉามีทั้งมิตรยาเพร่ะพออ่านหนังสือธรรมะถึงหูตาสว่างขึ้นมาว่าเรากำลังหลงไปหลงเลี้ยงคนรับใช้ไม่เลี้ยงตัวเองพระพุทธเจ้าบอกวิธีเลี้ยงตัวเองก็ศีลสมาธิปัญญานี่นี่คือวิธีเลี้ยงใจเลี้ยงตัวเราให้มีความถูก ให้มีความสุขไม่ให้มีความวุ่นวายใจ เ, เงินทองอย่าไปหาหามาก็เพื่อมาเลี้ยงคนใช้หาไปทำไม เ, เลิกหาเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทองเลิกเลี้ยงคนใช้ปล่อยให้มันอยู่แบบ เ, เดรัฉานให้มันกินตามมีตามเกิดพอให้มันพออยู่ได้ก็พอวันละมือ้อก็พ อ, อ, อ, อ, อกับสบายใจขึ้นไม่ต้องมาวุ่นวายกับการมา กังวันว่าจะกินอะไรดีจะอยู่ที่ไหนดีกินอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้มาสร้างศีลสมาธิปัญญาดีกว่ามารักษาศีลปตัดการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขที่เราเลี้ยงคนใช้อย่างดีเพราะว่ามันเป็นคนไปหาความสุขให้กับเรา เหมือนเจ้านายที่เลี้ยงคนใช้ที่ฉลาดชอบไปหาอีหนูมามาป้อนอยู่เรื่อยๆไอ้คนนี้เก่งหาอหนูเก่งก็ต้องคอยเลี้ยงดูมันให้ดีมันจะได้คอยไปหาอีหนูมาให้ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนคนไปหาอีหนูให้พวกเราหาอีหนูหาอีนูหาอหนูให้พวกเราไปหาลูกเสียงกลิ่นรสท้ายพวกเรากันถ้าไม่มีร่างกายนี้เราก็เสพกามไม่ได้ เสพลูกเสียงกลินรดกันไม่ได้ก็เลยเลี้ยงดูมันอย่างดีเลยรักษามันอย่างดีเพราะถ้าขาดมันแล้วไม่มีไม่มีความสุขถ้าไม่ได้เสพกามแล้วก็ก็ลงแดงเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเวลาเสพยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพนี่โหยใจเครียดคนที่ติดกามนี่พอไม่ได้เสพกามก็เครียด ให้อยู่คนเดียวก็เหง า, ว, าว่าเห่เศร้าสร้อยหมายเหงาต้องมีแฟนต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขต้องมีรูปให้ดูต้องมีเสียงให้ฟังมีกลิ่นให้ดมมีลทธิมีรสให้ลิ้มรสมีสัมผัสแข็งนุม่มหนาวร้อนให้ได้สัมผัสถึงจะมีความสุข ก็เลยต้องเลี้ยงดูร่างกายที่เป็นคนใช้นี่อย่างดีแต่ความสุขที่เขาหามาให้เราก็แป๊บเดียวได้มาแล้วก็หาหมดไปละไปดูไปฟังไปกินไปดืม่มไปเที่ยวพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดลกลับมาอยู่กับความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนเดิมก็ต้องออกไปหาใหม่หาไปเรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิม เวลาหาไม่ได้ก็ทุกเวลาจะตายให้ได้บางคนถึงกับฆ่าตัวตายถ้าหาไม่ได้หาความสุขผ่านทางร่างกายไม่ได้ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเช่นคนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเอามาเพิกอามาพาดหรือหมอบอกว่าอยู่ไปก็ทรมานตายดีกว่าสมัยนี้เขาก็เลยหาวิธีฆ่าตัวตายกันพยายามที่จะออกกฎหมาย ให้หมอทำให้คนตายได้ไม่ผิดกฎหมายเพราะอยู่ไปทรมานอยู่ไปทำไมเขาคิดอย่างนั้นแต่วิธีนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาความทรมานมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทรมานอยู่ที่ใจถ้าจะแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ใจแก้ที่ความทรมานความทรมานก็เกิดจากการที่อยากจะใช้ร่างกายนี้หา เป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วร่างกายมันไม่สามารถตอบสนองได้ mm hmm. ก็เลยคิดว่าทําลายมันทําลายมันก็มันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแกเปลี่ยนไปแก้ปัญหาตรงไหนเพราะความอยากมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากใช้ร่างกายมันอยู่ที่ใจพอไปทําลายร่างกายนี้มันก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ แล้วก็กลับมาเจอปัญหาเดิมต่อไปเดี๋ยวก็ร่างกายก็ต้องหมดสภาพไปไม่สามารถหาได้หรือถ้าร่างกายไม่หมดสภาพแต่เครื่องม้เครื่องมือที่จะใช้มันหมดสภาพเช่นเงินทองไม่มีล้มละลายมันก็กลับมาที่เดิมไม่อยากจะฆ่าตัวตายนี่คือปัญหาจะที่ที่มันเราไม่รู้กัน เราไปคิดว่ามันเป็นวิธีแก้ปัญหาคือการเสพกามนี่เราคิดว่าเป็นวิธีแก้ปัญหากันเวลาไม่สบายอกไม่สบายใจก็ไปเสพกามกันด้วยวิธีต่างๆบางคนก็ไปช้อปปิ้งไม่สบายใจก็ไปช้อปปิ้งบางคนก็ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาบางคนก็เข้าบ่อนบางคนก็เข้าบาร์มันก็ไปเสพกามด้วยรูปแบบต่างๆเท่รนั้น เสร็จแล้วก็ติดอะไรสิยิ่งมีปัญหาเพิ่มปัญหาขึ้นใหญ่พอเวลาไม่สบายจะแก้ปัญหาแบบนี้เกิดไม่มีไม่มีปัญญาไม่มีเงินเรือร่างกายไม่สบายทําไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาซ้อนขึ้นมาเองจากการแก้ปัญหาโดวยวิธีนี้กลายเป็นการสร้างปัญหาด้วยวิธีนี้ขึ้นมาอีกชั้นยังเป็น2ชั้นขึ้นมาแล้วนวิธีนี้มันนูนแรงกับวิธีแรก ทำให้ทนอยู่ไม่ได้อ ย, อยากจะอยากจะฆ่าตัวตายกันฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะตัวปัญหาก็คือตัวอยากจะเสพการเพื่อแก้ปัญหาต้องต้องแก้ที่ตัวนี้ต้องหยุดการอยากความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆ จะหยุดไม่ได้ก็ต้องอาศัยธรรมที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงค้นพบนี่แหละคือศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วความอยากนี่อยู่หมดัดถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญานี้ปราบมันไม่ได้สู้มันไม่ได้ฉะนั้นคนที่ได้เรียนเฉยๆแล้วไม่ได้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นความแตกต่าง รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ความอยากรู้ว่าวิธีแก้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าไม่สร้างศีลสมาธิปัญญาไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาได้ก็แก้แบบความคิดไปท่านเองแก้ได้ในบางในบางระดับเคยเคยอยากจะแก้ปัญหาด้วยการไปช้อปปิ้งเอาเวลาไม่สบายเลิกช้อปปิ้งก็อาจจะเลิกได้บ้าง แล้ววันดีคืนดีมันก็อยากขึ้นมาใหม่ก็บางทีก็ลืมเอิญความทุกข์ที่เกิดจากการแก้ปัญหาแบบนี้ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างราบคาบอย่างถอนรากถอนโคนนี่มันต้องแก้ ด, ด้วยการจจเจริญสีนสมาธิปัญญาแล้วก็ต้องมีสีนสมาธิปัญญาตลอดเวลาเป็นเครื่องมือ เพราะความอยากนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเวลาไหนมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเรามารักษาศีลแค่วันพระอย่างนี้วันพระมันไม่โผล่ขึ้นมาเลยพอวันวันหลังวันพระมันโผล่ขึ้นมาแล้วกินข้าวเย็นกันอย่างสนุกสนานวันพระไม่ได้กินเพราะมันไม่อยากพอหลังวันพระขึ้นมาพอไม่ได้ถือศีลแปะเนะมันโผล่ขึ้นมาแล้วงานเลี้ยงโผล่มาแล้ว เพื่อนโชว์มาชวนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วไปกันแล้ววิธีที่เราจะมาแก้ปัญหาของตัวเราของใจเราของความกลัวความหลงของความรักความชังของความวุ่นวายใจต่างๆก็คือเราอย่าไปเลี้ยงดูร่างกายมัน เกินความจำเป็นเนื่องมันไปตามอัตภาพพอมีพอกินก็โอเคแล้วพอมีกินวันละื้อก็อยู่ได้แล้วเอาเวลามาสร้างศีลสมาธิปัญญากันเพราะศีล ส, สมาธิปัญญานี้จะมาปกป้องคุ้มครองรักษาตัวเราที่เรียกว่าทรมังสารนังกฉามิเนี่ยพระคุ้มครอง ที่เราต้องการมีพระคุ้มครองเราต้องมีมีศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่มีพระพุทธรูปที่บ้านไม่มีพระพุทธรูปที่เราคล้องคอพระเหล่านี้ค้องคุ้มครองตัวท่านเองยังคุ้มครองไม่ได้เลยพระดีๆถ้าตั้งไว้เดี๋ยวก็เผลอขโมยก็ขนไปขายสร้อยที่เราห้อยพระอยู่นี้เกิดเราไปถอดวางไว้ที่ไหนเดี๋ยวหายแนละ้ว พระอันตทานอันตทานหายไปแล้วแสดงปาฏิหาริย์ให้เราเห็นแล้ะพระยังคุ้มครองตัวพระไม่ได้แล้วจะมาคุ้มครองเราได้อย่างไรเพราะมันไม่ใช่เป็นพระเราไปเรียกว่าเป็นพระเองเาอย่างมันเป็นของมนุษย์ปั้นขึ้นมาสร้างขึ้นมาแต่นมนุษย์ที่ปั้นบางทีก็เป็นคนขี้เมาเสียด้วยซ้าไปเพราะพวกศิละปะศิลปินนี่เขาพวกนี้เขาชอบเมาเหล้ากัน เวลาเมาเล้าแล้วมันปั้นได้ดีกว่าเวลามันมีจินตนาการสูงเวลาเมาแล้วมันมันไม่มีสติคอยควบคุมใจปล่อยให้มันปล่อยไปตามจินตนาการไปดูชีวิตของพวกจิตรกรทั้งหลายเป็นพวกเมาทั้งนั้นแหะพวกขี้เมาทั้งนั้นเวลาเมาแล้วมันมันแต่งกรอนก็เก่งแต่งเพลงก็เก่งปั้นอะไรวาดภาพอะไรก็สวย แล้วคนไม่มีศีลมีธรรมมันมาปั้นพระแล้วพระจะกลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งที่ปั้นก็เป็นเป็นดินเป็นดินบ้างเป็นโลหะบ้างก็เป็นเพียงโลหะเป็นเป็นหุ่นเท่านั้นเองไม่ได้เป็นพระพระที่จะคุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายนี้คือศีลสมาธิปัญญา เข้าใจไหมถ้าอยากจะมีพระคุ้มครองต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วพระจะคุ้มครองใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เดือดร้อนไปกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ตอนเนี้ตอนนี้เป็นจิตใจของประชาชนทั่วประเทศใช้ไวุ่นวายไหมเป็นชาวพุทธแท้ๆมีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านกันทุกทุกบ้านแต่ทํำไมพระไม่คุ้มครองจิตใจให้สงบให้สบายกัน ทำไมกลับให้วุ่นวายกันไปหมดก็เพราะว่าไม่มีพระแท้คุ้มครองจิตใจมีแต่พระปลอมพระที่ห้อยคอพระที่ตั้งอยู่ในบ้านพระที่ตั้งอยู่ในโบสถ์ในวัดในฐานต่างๆล่ า, านี้เป็นพระปลอมทั้งนั้นะไม่ใช่พระแท้พระแท้อยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจงสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา แล้วจะมีสาระมีที่พึ่งมีธรรมังสารนังกระฉามิมีพุทธทางมีสังขังสารนังกระฉามิเป็นที่พึ่งแล้วก็จะมีแต่ความสงบไม่มีความหวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีความรู้สึกอันใดเหมือนก้อนหินต่อให้มีลมมอระสมมากี่ลูกรุนแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถมาพัดให้ ก้อนหินนี้มันขยับขยื่นได้ใจที่มีศีลสมาธิปัญญาจะเป็นอย่างนั้นจะแข่งยิ่งกว่าหินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอะไรก็ตามจะไม่สามารถมาขยม่มมาขยา่าใจที่มีศีลสมาธิปัญญาให้หวั่นไหวได้เลยนี่แหละตัวเราของเราอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีศีลสมาธิปัญญากัน วุ่นวายกันไปหมดเวลาคนรับใช้ของเราเลือคนรับใช้ของคนอื่นเป็นอะไรวุ่นวายไปกันหมดเลยเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพียงคนรับใช้ไปคิดว่าเป็นนายคิดว่าเป็นเจ้านายคิดว่าเป็นพ่อคิดว่าเป็นแม่คิดว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาต่อคนรับใช้ของพ่อของแม่ของลูกของสามีภรรยาเป็นอะไรขึ้นมาวุ่นวายไปกับ คนรับใช้ของเขากันไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแต่ก็วุ่นวายไปกันหมดทุกคนเพราะเป็นหลงคิดว่าคนรับใช้เป็นตัวเราเป็นของเรากันเนี่ยเราจรึงต้องมาศึกษาจากพระพุทธเจ้ามาให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้มันอย่าไปใช้มันใช้มันแล้ว นต้องวุ่นวายไปกับมันเพราะมันใช้ได้บางเวลาบางเวลาใช้ไม่ได้เวลาใช้ไม่ได้ก็เดือดร้อนกันเลิกใช้ร่างกายแล้วมาใช้ศีลสมาธิปัญญาจะได้ความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายแล้วต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรจะไม่วุ่นวายไปกับมันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของเราก็ดีของคนอื่นก็ดี เราจะไม่วุ่นวายเพราะเรารู้ว่ามันมันไม่ได้เป็นตัวสาระสําคัญตัวสาระสําคัญนี้ไม่ได้เป็นอะไรเป็นแต่ถูกความหลงหลอกให้วุ่นวายไปเท่านั้นเองคนที่แก้ความหลงได้ก็ไม่วุ่นวายคนที่แก้ไม่ได้ก็วุ่นวายไปกับความหลงความหลงมันหลอกให้วุ่นวายหลอกว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพอต้องเสียมันไปก็วุ่นวายกันไปหมด ถ้าคนไม่หลงก็ไม่วุ่นวายเพราะปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นเป็นตัวเราเป็นของเรามันจะอยู่มันจะไปก็ปล่อยมันไปสิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ไม่มีใครมาแยงจากเราไปได้ถ้าเรารักษาศีลได้ก็รักษาไปได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็นั่งไปได้ ถ้าเรามีปัญญาเราก็ตัดความหลงแก้ความหลงไปได้ล้วใจของเราก็จะสุขจะสบายจะไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ประโยชน์ได้เท่ากับพระพุทธศาสนา ของต่างๆในเรื่องนี้ให้ประโยชน์กับคนใช้เราเท่านั้นเองไม่ได้ให้ประโยชน์กับตัวเราให้คนใช้เราอยู่ดีกินดีมีความสามารถหาความสุขต่างๆให้กับคนใช้ได้แต่ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เลยกลับสร้างกลับหาความทุกข์ให้กับเรามากมากเสียอีกมากขึ้นไปเสียอีก ดังนั้นเราต้องขอบคุณพระพุทธเจ้ากราบสํานึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้พวกเราก็จะหลงกันไปหลงไปแบบอนันตการแบบไม่มีวันสิ้นสุดนตายไปก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่มาหาคนใช้อันใหม่มาทุกกับคนใช้คนใหม่เอคนใช้คนเตา่าตายไปก็จ้างคนใช้คนใหม่แล้วก็มาทุกกับเขา เปลี่ยนคนใช้ไปเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนมาไม่รู้กี่ร้อยล้านคนแล้วคนรับใช้นางกายที่เราเปลี่ยนมาในีพระพุทธเจ้าบอกมันนับไม่ถ้วนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติคือเลิกเลิกไปอ่ เลี้ยงดูร่างกายแบบเกินเหตุเกินผลเลี้ยงมันไปตามอัตภาพพอมีพอกินพออยู่ได้ก็พอแล้วก็มาเลี้ยงใจดีกว่าเลี้ยงตัวเราดีกว่าเลี้ยงตัวเราด้วยศีลสมาธิปัญญาเลิกหาเงินเลิกใช้เงินเพราะการหาเงินใช้เงินนี่เป็นการเลี้ยงร่างกายเป็นการใช้ร่างกายซื้อความสุขต่างๆที่เป็นความสุขแบบยาเสพติด เวลาไม่ได้เสพก็หมุดหงิดนำคาญเวลาไม่ได้เสพมากๆก็ถึงกับลงแดงอยากจะฆ่าตัวตายบางคนก็บางคนก็ตายด้วยฤทธิ์ของความขาดยาเสพติดเนี่ยมาเลยงดูใจของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วรับรองได้ใจของเราจะมีแต่ความสุขความอิ่มความพอความสบายไปตลอด พอเลิกใช้ร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องกลับมามีร่างกายซำแล้วซ้ำอีกมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกกับการสูญเสียร่างกายแบบซ้าแล้วซ้าอีกพอเลิกใช้ร่างกายแล้วเรามีสิ่งมีสิ่งที่ดีกว่าร่างกายคือมีศีลสมาธิปัญญาเอาศีลสมาธิปัญญานี่แหละมาเลี้ยงดูตัวเราตัวจริงของจริงของเราคือใจ ตัวปอมของเราก็คือร่างกายร่างกายก็เลี้ยงมันแบบสุนักเลี้ยงมันแบบเดรัจฉานที่อยู่ในป่าเนี่ย้มันอยู่ไปตามมีตามเกิดจะได้มีเวลามาสร้างศีลสมาธิปัญญากันอย่างเต็มที่ถ้าเลี้ยงมันแบบหรูหลาเลี้ยงมันแบบแบบแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนี่มันก็จะไม่มีเวลามา เลียงดูใจไม่มีเวลามารักษาศีลมานั่งสมาธิมันเจริญปัญญาเช้าก็ต้องออกจากบ้านไปหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงใอ้ร่างกายนี่แหะหาค่าเช่าบ้านหาค่าน้ําค่าไฟหาค่าอาหารหาอะไรต่างๆเวลาที่จะมาเลี้ยงใจเลยไม่มีมาเลี้ยงใจมารักษาใจไม่มีเวลาที่จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์ก็รักษาไม่ได้ เวลามานั่งสมาธิก็ไม่มีเวลานั่งนั่งได้ก็ครึ่งชั่วโมงก็ง่วงนอนละหลับละอยากจะนอนนะปัญญาก็ไม่ค่อยเกิดไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ยังหลงเหมือนเดิมหลงว่านางกายเป็นตัวเราของเราฟังเทศกี่ครั้งกี่ร้อยกี่พันครั้งท่านก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา เราก็กลับไปเหมือนเดิมก็ยังเป็นตัวเราของเราอยู่นั่นแหละยังเลี้ยงมันเหมือนกับเป็นตัวเราของเราเลี้ยงนั่งกายเหมือนกับเลียงคนใช้เหมือนกับเป็นตัวเราของเราทำไมไม่เลี้ยงคนใช้มันแบบเลี้ยงคนใช้ล่ะไปเลี้ยงมันแบบเจ้านายทาไมเลี้ยงมัน <travaille> แ, แบบคนใช้สิให้มันกินวันละมื้อดูประหยัดเงินทองต้องเยอะแยะประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องไปติดแอร์ให้มันหรอกไม่ต้องไปติดน้ำอุ่นให้มันอาบหรอกห้องคนรับใช้มีแอร์ไหมมีที่อาบน้ำอุ่นไหมแต่ห้องของเจ้านายนี่โอ้โหยิ่งกว่าคหะยิ่งกว่าพระราชวังอีกยิ่งกว่าสวรรค์อีกเนี่ยความหลงแทนที่จะมาเลี้ยงจิตใจเลี้ยงตัวเรากลับไปเลี้ยงคนใช้ ถ้า จ, จะเลี้ยงตัวเราต้องเลี้ยงด้วยศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละสวรรค์นันเลิศใครมีศีลสมาธิปัญญาแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นความสุขนี่สุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกาย mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พร ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบเอานะอันนี้ไม่บังคับแจกต้องต้องรับไปด้วยความอยากอยากจะอ่านไม่ยื่นให้ปล่อยให้ตามศรัทธาเพราะถ้าไม่ศรัทธาเอาไปแล้วก็เสียเสียเสียของเอาไปก็ไม่อ่าน ยังไม่ไม่แจกแบบหยิบยื่นให้ให้หยิบเอาเองถ้าอยากได้ก็เอาไปแล้วเอาไปอ่านนะอย่าเอาไปแจกนะถ้าไปแจกก็ไม่ให้ออกไปเพราะาไปแจกก็ไม่รู้คนรับเขาสนใจหรือเปล่าเองเห็นใครก็แจกเอาหน้าเอาตาซะมากกว่าอันนี้ไปเรียนอยู่ที่ไหน เปนโรงเรียนแล้วใช่หม เ, น, เนอยู่ที่ไหนแ น, แนดดูซ น, นดูทีมกรุเทพเลย<ส> อ, อยู่ชั้นไหนแล้วอยู่เกรดไหนแล้วเกรดห้า แ, แล้วเนี่ดีกว่าโรงเรียนเก่าไหมน <c oughs> เนื้คนละแบบ ก, ก็คนละแบะบค<น>่ะคนละแบบก็ จ, จทอสีไปซ น, นดูกค็คนละคนละแบบคนละสไตล์ แล้วทำไมถึงย้ายไปล้ะเพราะว่าคุณพ่อเขาเขาเห็นว่ายัางไงก็ต้องต้องย้ายอยู่ดีไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องไปก็เลยคิดว่าเออไปไปเร็วไปดีกว่าพอดีโชคดีตอนแรกก็คิดว่าจะให้จบที่ทศสีสักปหกก่อนแต่ทีนี้เหมือนกับว่าถ้าเราไปถ้าเราไปสตาร์ทจากเยวันเนี่ยมันได้ง่ายกว่าไปไปไปตอนเยียสองเยียสาม แกก็เลยกลัวว่าถ้าต่างจะต่างจะต่างไม่ทันปรับตัวไม่ทันพอดีได้ได้ที่เร็วก็เลยได้ไปตอนเยียเยี่ยอ่าก็ดีชอบไหมชอบเงินไหมชอบนะหนูไม่หนูไม่ชอบกินนมใช่ไหมนั่นจะเตัวอะไรไม่ใหญ่นะกินนมไม่ว่งเลยชอบชอแต่ใบเล่ใบเล่โจะ ชาติน้ส้มนะนมไม่ค่อยดี่มไม่ดืเลยนาตัวเล็กลยเนี่ยมันร่างกายมันไม่กระดูกระเดกมันเลยไม่ไม่ใหญ่มันแต่จะไม่เด็ดทำเก่งก็ไม่เวลาต่อไปจะได้เป็นเป็นนางแบบได้แต่ไม่ไม่แต่แข็งแรงหากเห็นียแต่แข็งแรงมากว่าอาจารย์คุณอย่างนี้ไปสมัครเป็นนางแบบได้สบายเลย ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะไม่ค่อยเข้าอดีถ้าไม่เจ็บไข้ได้เลยไม่เจ็บไข้เอยแข็งแรงตั้งแต่โตมาก็เข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวไม่เคยเป็นอะไรออืแข็งแรงดีเอเป็นลูกคนเดียวแหละคนเดียวจะผ่าแล้วเธอตั้งแต่พระอาจารย์เห็นตัวเล็กๆแค่หนูตั้งใจเรียนนะเรียนให้เกรดีๆนะลูกเกรดได้ยัง ตกภาษาไทยตกภาษาไทยเลยขยันยากอยานอยู่กรุงไทยยังยากนะตกภาษาไทยก็เออก็ยังไงก็แปลกใจเหมือนกันก็กลายเป็นว่ามันต้องให้มาเรียนเพิ่มภาษาเรียนพิเศษนะเยว่าหนูตกภาษาตกภาษาเล่นอะค่ะแต่ว่าไม่ตกไม่ตกภาษาไทยอาจจะ คิดว่า ง, ง่ายเลยไม่สนใจมัเนะี่ยใช่พ่อกลัวจะตาพ่อกลัวว่าจะลูกจะไม่ได้ภาษาอืาสรุปกายเป็นว่าลูกได้ภาษาเร็วกว่าที่ที่คิดไว้แต่กลายเป็นตกภาษาไทยก็เลยต้องมั น, นั่งเตียวเรื่องภาษาให้ใหม่เดี<ช>๋ยวจะ ไ, ได้เต็มแล้วเดี๋ยวจะยากออแต่ได้เต็ม<า> <c oughs> ไม่ยากเลยภาษาไทยเป็นภาษาของเราอยู่แล้วคุณตามคุณยวงคงยังไม่ได้มาหาพระอาจารย์ ไม่ได้แต่มีคนที่รู้จักเข้ามาส่งข่าวให้เอคุณเจริญขับไม่ได้แต่แต่เดินเดินได้เขาบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วบอกว่าแกมาขับรถได้เมื่อไหร่แกจะแวะมาคงคงไม่น่าจะได้อาจารย์ยอมว่ายอมว่าน่าจะอีกนานหรืออาจจะให้ใครขับมาอ้าให้แกแกขับมาเองแกคงไม่ไหวแกดีขึ้นก็ก้นแล้วก็ดีจะขับนี่ ให้เวลาถามดูแค่นั้นเองยังอยู่ที่เดียวยังอยู่ที่เดิมอยู่่าโยงจะไปบอกว่าอาจารย์ถามถึงขอให้หายเร็วๆนะบอก่ปถามนะเวลาจิตมนดิ่งล่ไหมจิตองลูกิ่งแบบเด็กเบาลูกอคือมันปึ้มนขึ้นแต่สติมันยังไม่ไม่ไม่ดีพอถ้าถามเมื่อก่อนก็คือประมาณว่า เป็นครั้งเดียวแต่เดีนี้ก็คือในการนั่งแต่ละครั้งก็เป็นหลายๆครัง้งปุ๊บขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ปุ๊บแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ครัสติยังไม่ดีพ อ, อ, อมันกําลังน้อยมันพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวกิเลสมันก็ผักออกมากิเลสมันจะคอยผลักใจให้ออกมาอยู่เรื่อยๆสติเราก็พยายามกดมันเข้าไปที่บางทีสติเรามีกําลังก็กดได้ปั๊บนะมันก็หมดกําลังมันก็เด้งกลับขึ้นมาใหม่ ว่าการที่จะเข้าถึงอัปปนานี่มันเป็นไปอัตโนมัติตามกำลังสติของเราเลยใช่ไมบเราไม่ต้องทาอะไรแค่เราเสติให้พใ่ที่ว่าเราทำผิดพลาดอะไรก็ไม่ผิดพ้าดส่วนใหญ่ขาดที่สติเท่านันถ้าใจมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยังแวบไปแวบมาอยู่มันก็เลยเข้ายากเข้าแล้วก็อยู่ไม่นานเพราะมีกำลังน้อย ซึ่งในการนั่งกระทะทำก็จะเป็นแค่ห้าหกครั้งแล้วก็จะ<ช>อยู่ประมาณนี้ตลอดก็ต้องไปเจริญสติต้องฝึกสติอยู่ทั้งวันอย่าไปปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามเด็กมันว่าให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับร่างกายหรืออยู่กับพุโทโธเนี่ยแล้วมันก็จะมีกําลังมากขึ้นไปนิสสัตว<ม>์เรียนขอถามเรื่องเกีกกกมมเ่ยวกับการใช้การนำภูมิฐานสิ่งมาใช้ในชีวิตประจําวัน ก็เป็นเหมือนขับรถอะมันรถมีสีเกียร์แล้วแต่สปีดขับรถแล้วแต่สภาพท้องถนนว่าเราจะใช้เกียร์ไหน เ, เวลาเราจะออกรถเราก็ต้องใช้เกียร์ต่ําเวลารถเร็วขึ้นก็ถนนว่างขึ้นเราก็เปลี่ยนเกียร์ไปตามเหตุการณ์ปมิมาณสีนี้ก็มีไว้สำหรับใช้กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ใช้ทั้งสี่อย่างพร้อมกันแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์อะไร ความเมตตานี่ก็เป็นเป็นเป็นเกียร์ที่เราใช้เป็นเป็นธรรมที่เราใช้ได้ทั่วไปตลอดเวลาคือเวลาเราไปพบกับใครนี้เราต้องใช้เมตตา mm hmm. เจอกันก็ส่งความปรารถนาดีให้ต่อกัน mm hmm. พักทายกันมีขนมนมเนยมีอะไรพอจะแบ่งปันฝากกันได้ให้กันได้อันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตา แล้วการุณาก็คือเวลาเกิดความทุกข์ยากลาบาก เ, เดือดร้อนไฟไหม้น้ำท่วมคนเขา้าช่วยเหลือกันไปตามกำลังก็เรียกว่าการุณาบรรเทาทุกข์ความการุณาเพื่อบรรเทาทุกข์ส่วนมุนิตาก็คือเวลาคนอื่นเขาได้ดีเช่นเขาแต่งงานกับแฟนของเราเราก็สแสดงมุนิตาไป อย่าไปโกรธ อ, อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดยังไงเขาก็เอาไปแล้วไปโกรธไปเกลียดมันก็ทําให้เราดอนไปเปล่าๆถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราแฟนเราก็เราก็อยากจะให้แฟนเรามีความสุขถ้าเขามีความสุขเราก็ควรจะดีใจไปกับเขาเราก็จะมีความสุขไปกับเขาอันนี้เรียกว่ามูติตาให้มีใ ห, ให้ให้มีความสุขกับความเจริญของผู้อื่นส่วนเบคาก็คือ ถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้เมตตาใช้มุติตาใช้<ม>การูนาได้ก็ทําทใจเฉยๆว่าเป็นกรรมของเขาเหมือนกันเป็นบุญเป็นกรรมของเขาแล้วแล้วทุกๆเหตุการณ์ที่เราเจอเนี่ยนะคะสมมติที่เราเริ่มด้วยเมตตาที้เป็นอดนอนมาที่เราเมีตาได้แต่ว่าตอนหลังนี้กําลังรู้กำลังรู้สึกว่ามันจะมีตัวเส้นแบ่งอะไรระหว่างกรุณากับอูเบคามีไหมคะคือหมายความว่าอันนี้อย่ายุ่งดีกว่าปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้พิจารณาแล้ว ถ้าปล่อยได้ถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยถ้ายังทำได้ก็ทำไปถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ถ้าช่วยแล้วเกิดความเสียหายมากกว่าเกิดความเสียหายมากกว่ า, ก, ว า, า, า, ก, ก, วาการได้ประโยชน์ก็อย่าไปช่วยดีกว่าหรือช่วยแล้วทำให้เราเดือดร้อนอเขาสบายแต่เราไปติดคุกให้เขานี้่เราก็อย่าไปช่วยดีกว่า นอกจากว่าเราเมตตาเขามากๆรักเขามากๆยอมติดคุกแทนลูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าไม่ยอมติดคุกกระปองให้มันติดไปเราไม่ติดเราก็เฉยๆไปแต่ว่าเป็นกรรมของเขาไปเป็นบทเรียนของเขาเข า, มาไม่อยากไปช่วยแล้วทําให้เขาเสียก็อย่าไปช่วยเอช่นเขาทำผิดอย่าไปทําให้เขาถูกแล้วเขาจะเสียนิสัยจะไม่เข็ดดบับ เขาทำผิดให้เขารับโทษไปดีกว่าแล้วเขาจะได้เข็ดลาบไม่ใช่ไปวิ่งเต้นไปจ่ายเงินไปอะไรต่างๆเพื่อให้เขาหลุดเขาก็จะเหมิมเกิมเดี๋ยวคราวหน้าก็ทำาอกทาแรงกว่าเก่าอีกเขาก็จะคิดว่ามีคนมาช่วยเขาอยู่เรื่อยๆเขาก็เลยไม่มีความเข็ดดาบในความประพฤติของเขาต้องการให้เขาไปเจอโทษบ้าง เราก็ต้องทําใจว่าเป็นกรรมของเขา เ, เราก็ต้องทําใจอย่าไปทุกข์กับเขาอุเบกานี่ทําให้ใจเราเฉยไม่ไปทุกข์กับเขาถ้าเรามองว่ามันเป็นเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครไปยับยั้งเปลี่ยนแปลงได้เช่นท่านยกตัวอย่างว่าถ้าเขาไม่ชอบเราเร า, เราพยายามแผ่เมตตาแล้วเขายังไม่ชอบเรา เราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราเราก็จะเฉยได้แล้วเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราแล้วเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราเราก็จะเฉยได้ไม่ไปโกรธไปเกลียดไม่ไปอะไรกับเขาได้ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะให้เขาถามคาถามต่อนะ ถ้าอยากจะฟังก็ฟังได้อยากจะกลับก็กลับได้นะถ้าจะอยู่ก็ขอความสงบหน่อยขอให้นั่งฟังเงียบๆจะได้ไม่รบกวนออาเชิญเลยว่าทไมครับเอาเลยคือวันนี้ท่านท่านพูดเรื่องว่าใจนี่เป็นเป็นนายใช่ไหมคะแล้วกายเนี่เป็นบ่าวเด็นน้องชายเนี่ยไปผูกกับท่านอาจารย์แบนมาห้าปีแล้วกลับมาก็ ก็ยังอยากมีลูกมีเมียเหมือนเดิมอคือเข้าใจเองค่ะอาจจะไม่ถูกก็ได้ว่าผู้ที่เห็นทุกข์หรือว่าในกรณีท่านก็เป็นเคสอย่างท่านเนี่ยมันต้องใช้บุญเก่ามาสะสมหรใช่ปะคะเพราะเห็นมาหลายเคสมากเลยว่าความทุกข์เนี่ยไม่สามารถที่จะดึงให้ไปไปฝึกเพื่อให้พ้นทุกข์กัค่ะแล้วจะบอกใจยังไงคะว่าจะให้มีกํำลังเพื่อก็มันมืดบอดไงใจมันไม่ฉลาดมันโง่มันมองไม่เห็นทุกข์กัน ขาดสัมมาทิฏฐิการการเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายมันไม่เห็นตัวนี้้จะเห็นไไดยั ง, งอะะ่ก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆไปงานศพ บ, บ่อยๆอ ต, อ ต, อต้องพาตัวเองไปให้คิดเลยายังไ ม, ม่ยอมคิดมันพยายามจะลืมมันไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันก็ลืมลืมแล้วยังบูรณาส่ไม่พอที่ต้องพาตัวเองไปเลย ก็ไปงานศพในขัามีงานศพก็เพื่อที่จะให้ไปปรงุงให้ไปเราให้เราไปคิดถึงความตายของเราอย่างสมัยขั้นแรกเราเห็นศพนี่เราใจเราคิดไปเลยโอ้ยคุณเดี๋ยวต่อไปต้องตายกันทุกคนอยู่พ่อก็ต้องตายแม่ก็ต้องตายปู่ย่าตายายก็ต้องตายพี่น้องก็ต้องตายเราก็ต้องตายไม่รู้มันเป็นของมันไปเองมันไม่ได้กลัวเก่ อ, อะไรแต่ก็คิดไปตามความเป็นจริงมีใครไม่ตาย แค่นี้มันก็จะทำให้ไม่อยากจะมีอะไรแล้วมีแล้วเดี๋ยวก็ตายจากกันอย่างที่เขามีคำพูดงานเลี้ยงย่อมมีวันจบสิ้นงานแต่งงานก็มีวันจบสิน้นแต่งงานกันไปเดี๋ยวตายจากกันก็จบล้งานเลี้ยงอันนี้กลายเป็นงานทุกไปแล้วกลายเป็นงานศพไปแล้วไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่เห็นอ น, นิจจัง ไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารอันนี้จาวัตสังขาราเนี่ยพระสอนไปงานศพนี่ท่านสวดกันปากเปียกปากฉีกเยมก็คุยกันแบบปากเปียกปากฉีกเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าพระสวดอะไรกันอันนี้จาวัตสังขาราร่างกายสังขารที่เกิดจากการปรุงแต่งของดินน้ำลมไฟเช่นร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา การปล่อยวางสังขารร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่งที่ทุกข์กันก็เพราะยึดติดไม่ยอมปล่อยอยากให้มันอยู่กับเราพอมันไปก็เสียอกเสียใจไม่ไม่พิ จ, จารณาอนิจจาวัตถสังขารากันไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่าพระท่านสวดอะไรกันพระทุกครั้งที่พระท่านไปชักผ้าบางสกุลนี้ท่านว่าบทนี้ทั้งนั้นแ่ะอนิจจาวัตถสังขารล้วไอ้เราก็คิดว่าท่านสวดให้คนตาย ที่ไหนได้ท่านสอนคนเป็นเนี่ยอันนี้ท่านไปสอนเป็นภาษาบาลีฟังไม่รู้เรื่อ ง, องนีกมันน่าจะสวดเป็นภาษาไทยร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดามีเกิดมีดับมีเกิดมีตายการปล่อยวางร่างกายไม่ยึดติดกับร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่งความจริงคนจะสวดแบบนี้จะดีกว่าคนฟังจะได้เข้าใจแล้วจะได้เตรียมตัวปรองได้ เขจ า, ายอะไรใช่ไหมทางนี้อยากจะถามอะไรไหมไม่ค่ะพราะเพ่จะเปฏิบัติอะไรก็ศึกษาฟังไปก่อนนะทาทางบ้านครับคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณพัชรานะครับเราไม่ควรไปหลงไปวุ่นวายกับร่างกายของผู้อื่นขอกับเรียนถามเช่นนั้นเราควรระลึกถึงพระองค์ท่านผู้ทำความดีอเนกอนันต์นนอย่างไรคะ ก็นึกถึงความดีของท่านแล้วก็เอาตัวอย่างของท่านมาปฏิบัติต่อสืบทอดปณิธานอันดีงามของท่านเป็นปฏิบัติบูบชาอะไรแบบนัานกายไม่ต้องไปบูชาท่านร่างกายท่านมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเราที่จะต้องไปทำอะไรให้กับท่านทางร่างกายเราทาทางจิตใจบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคาสอน ท่านสอนมาทุกปีวันที่สี่ธันวาไปฟังรึเปล่าในวังกา ร, กรเทษเรื่องความรู้ลักษามคืคีเสียสละประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างที่ท่านมีคำพูดที่ก้ามัจากจะกล่าวว่าการที่จะทำให้คนทั้งหมดเป็นคนดีนีย่อมเป็นไปไม่ได้แต่การที่เราทำได้ก็คือให้เราส่งเสริมคนที่เป็นคนดีให้เขาจะได้มา คุมคนไม่ดีนีเราต้องมาส่งเสริมเลือกคนดีเข้าไปเป็นผู้แทนเลือกคนดีเข้าไปทําหน้าที่ปกป้องรักษาประเทศชาติปกป้องคนเลวที่จะมาทําลายประเทศชาติแต่เราไม่ได้ทําเราไม่ได้เลือกกันแบบนั้นเราเลือกเพราะเขาจ่ายเงินให้เรากันเพราะคนที่รับเงินเขาไม่รู้เขาไม่รู้ผลผลที่เกิดจากการที่เลือกคนไม่ดีเข้าไปว่าเป็นอย่างไร เขาก็คิดว่าเขาเหมือนเดิมชีวิตเขาก็เหมือนเดิมเลือกคนดีเข้าไปก็ไม่ได้เงินห้าร้อยเลือกคนไม่ดีเข้าไปก็ได้5้าร้อยเอาห้าร้อยดีกว่าอย่างน้อยก็เลืไปกินเหล้าได้คาถามข้อต่อไปจากคุณแอนนี่นะครับการทาสมาธิให้มีสติทาอย่างไรสมาธิมันไม่ได้ทำสมาธิให้มีสติมันพูดไม่เข้าใจ การมีสติมันถึงระทำสมาธิได้นการจะทําให้มีสติก็ต้องละเลิกรู้อยู่กับเรื่องเดียวไปทั้งวันทั้งคืนไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เั่นให้รู้อยู่กับพุทโธไปคําเดียวนี่แหละลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไปถ้ามันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงมาที่พุทโธพุทโธไปยกเว้นเวลาที่เรคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จําเป็นจริงๆก็คิดไป คิดเสร็จก็กลับมาอย่าไปคิดเพ้อเจอเพ้อฝันอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะให้เขารักเราอยากจะให้เขาซื้อของซื้อของให้เราคิดเรื่องราวเหล่านี้คิดแล้วมันฟุง้งซ่านหรือคิดวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้ข่วงยญยกลัวเขาจะเจ็บกลัวเขาจะตายห่วงยังไงมันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนเดิมแหละอย่าไปคิดให้มันเสียเวลาไปพุโทโธพุโทโธไปดีกว่าแล้วใจมันจะนิ่งใจมันจะไม่ลอยไปลอยมา เวลานั่งสมาธิมันจะได้สงบได้อย่างเต็มที่จะได้สมาธิเหตนก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ันต้องฝึกสติให้ได้ก่อนต้องควบคุมความคิดให้ได้ให้มันอยู่กับพุโทโธให้ได้ก่อนแล้วเวลาวันนั่งนี่มันจะรวมลงเป็นสมาธิจะนิ่งจะเฉยจะมีความสุขคำถามจากคุณนัชนกอ่า ถ้าเรามีความต้องการให้ธรรมะแก่คนสักคนหนึ่งจะถือว่าเป็นกิเลสที่เป็นความอยากไหมคะแล้วถ้าเรากลัวว่าคนคนนั้นจะไม่ยอมรับธรรมะเพราะเราเชื่อเรื่องหมออ่ะเพราะเขาเชื่อเรื่องหมอดูอโชคลาภต่างๆรวมถึงเป็นคนเกี้ยวกาดเราควรให้ธรรมะหรือไม่อย่างไรก่อนที่จะไปให้ธรรมะคน่นให้ตัวเองก่อนเถิดตอนนี้แสดงว่าไม่มีธรรมะเลย ถึงอยากจะให้ธรรมะคนอื่นคนที่มีธรรมะแล้วไม่อยากจะให้ธรรมะคนอื่นต้องรอ้อยเขามาขอก่อนถึงจะให้เข้าใจไหมแต่คนที่ไม่มีธรรมะนี่กิเลสอยากจะให้เขาอยากจะแต่ไม่อยากให้ตัวเองอยากให้คนอื่นเขาปฏิบัติธรรมแต่ตัวเองไม่อยากปฏิบัติเนี่ยคำถามจ้าคุณสุวรรณน า, นาการไปทําบุญที่วัดที่มีเจ้าอาวาสปิดสีแล้ว เราจะได้บุญหรือไม่เพราะจาเป็นต้องทำขอพระอาจารย์เมตตาด้วยเจ้าค่ะได้ทำกับใครก็ได้ทั้งนั้นทำกับสุนัข ก, ก็ได้ทำกับแมวกับหมาทำกับนกบ ก, บนกับปลาได้ทั้งนั้นเพราะว่าคนรับไม่เกี่ยวกันคนให้เนี่ยเป็นคนที่ได้คือเราเสียสละเนี่ยเราเสียสละเงินทองก้อนหนึ่งไปเนี่ยให้ใครเราเราเร า, เราได้เหมือนกันเราได้ความสุขจากการที่เราเสียสละเงินทองก้อนนี้ ให้พ่อให้แม่ที่บ้านก็ได้ถ้าพระที่วัดไม่ดีเป็นพระปองก็ไปให้ทำไมให้พระที่จริงพ่อแม่เราก็เป็นพระอล า, านของเราก็ให้พ่อให้แม่ไปสิทำบุญกับพ่อกับแม่ไปเราก็ได้ความสุขได้บุญเหมือนกันที่เขาเลือกไปทำบุญกับพระแท้ก็เพราะว่านอกจากได้บุญแล้วยังได้ธรรมะแถมอันนี้ที่เราไม่ได้ถ้าเราทากับพ่อกับแม่พ่อแม่ไม่มีธรรมะให้เรา ถ้าเราอยากได้ธรรมะเราก็ไปทําบุญกหาพระแท้ทำรรไปทําแล้วท่านก็จะได้สอนธรรมะให้กับเราเราก็จะได้สองชั้นได้บุญแล้วก็ได้ธรรมะด้วยที่เขาเลือกบอกว่าให้เลือกทำกับคนก็เพื่อเอาธรรมะนี่แหละถ้าจะเลือกก็เลือกคนที่มีธรรมะเยอะๆคนที่ทํามีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าถ้ามีพระพุทธเจ้าไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าเลยจะได้ธรรมะเต็มร้อยเลย ถ้าไปทําบุญกับพระองค์อื่นอาจจะได้แค่50าสิร้อยละ50ได้ครึ่งเดียวเพราะพระแต่ละองค์นี้ก็มีธรรมะ ม, มากน้อยต่าง ก, กันท่านถึงท่านถึงบอกให้เลือกพระเลือกคนเวลาถ้าเราจะต้องการธรรมะแต่ถ้าเราไม่ต้องการธรรมะเราต้องการใส่สละเงินทองนี่ให้คนอื่นขเขาให้คนมีความสุขนี้เราให้ใครก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้ให้โรงเรียนก็ได้ให้เด็กกําพร้าก็ได้ ให้เด็กพิการก็ได้ให้คนชราก็ได้เหมือนกันความอิ่มใจสุขใจเหมือนกันบุญที่จะพาให้เราไปสวรรค์นี่เหมือนกันแต่ธรรมะนี่มันสูงกว่ามันทําให้เราหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ต้องไปทํากับพระในพระพุทธศาสนาทำกับพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ท่านจะให้สอนวิธีบอกให้เราให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกัน แต่ถ้าเรายังไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นเราเพียงอยากจะตายไปแล้วไปสวรรค์ก็ทำกับใครก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคถ่ายถ่ายชีวิตโคกระเบอือสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อะไรนี่เหมือนกันหมดนะ่ยคือเราสละความสุขของเราให้แก่ความให้ให้เกิดความสุขให้แก่ผู้อื่นไปสร้างกุฏิก็จะทำบรรเทาความทุกข์ยากลาบากของพระเนนพระเนนจะได้มีที่หลบแดดหลบฝนได้อยู่อย่างสบาย อาจารย์ครับอันนี้คําถามส่วนตัวครับอาจารย์การทําบุญกับคนหมู่มากหากทําด้วยการเผยแผ่ธรรมะ ก, กับการทําด้วยสิ่งของให้เขาสบายขึ้นมาผลต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ธรรมะมันทําให้หลุดพ้นด้วยความทุกข์ทางใจแต่สิ่งของนี่ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้สิ่งของก็ช่วยบรรเทาทุกข์ทางร่างกายเช่นเวลาเกิดไฟไหม้น้ําท่วมเราก็ซื้อข้าวซื้อของไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อน ก็ทำให้ความทุกข์ยากทางร่างกายนี้มันเบาบางลงไปแต่ความทุกข์ใจของเขาก็ยังมีอยู่มันเดิมเขาก็ยังเสียดายเสียใจกับการสูญเสียของเขาอยู่ถ้าเราหนังสือธรรมะก็ไปอ่านแล้วบอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราเขาทำใจได้เขาก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียอันนี้ต่างกันธรรมะนี้จะรักษาใจส่วนอาหารเครื่องใช้ไม่สอยนี้จะรักษาร่างกา ย, ยางั้น ความทุกข์ทางใจนี่มันรุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายมันถึงการให้ธรรมะถึงถือว่าเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะจะดับความทุกข์ทางใจได้แต่ของอย่างอื่นนี่ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้ดับความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นเองอแล้วในแง่ของผู้ให้นะครับในในในรูปแบบของการสะสมนะครับราอาจารย์แบบไหนที่มีผลมากกว่ากันนะครับอาจารย์ระหว่ า, างธรรมะ ก, กับสิ่งของครับอาจารย์ อา้าธรรมะมันต้องมีผลมากกว่าแต่ธรรมะต้องเป็นของเรามันถึงจะมีผลถ้าเป็นธรรมะของครูบาอาจารย์เราก็เป็นเพียงแต่เป็นบุรุษไปรณี<แ>เอาเราก็ยังไม่มีธรรมะเราก็ยังติดอยู่กับกองทุกข์อยู่ถ้าจะให้มันเป็นผลจริงๆต้องต้องเป็นธรรมะของเราเองที่เราใช้มาดับความทุกข์ของเราแล้วเราไปบอกคนว่าพี่อย่าไปเสียดายมันเลยมันไปแล้วมันผ่านไปแล้ว ผมเคยเสียมากกันนี้ผมยังไม่เสียใจเลยผมทําใจได้แล้วสบายใจกว่าถ้าบอกก็อย่างนี้แล้วเขาเข้าใจแล้วก็ทําทใจได้เขาก็หายทุกจากการสูญเสียครับคําำคําถามข้อต่อไปจาก ค, คุณสมสุกนะครับเดี๋ยวก่อนอยากจะเติมแค่นี้การที่เราพิมพ์หนังสือธรรมะไปแจกเนี่ยเราไม่ได้ให้ธรรมะหรอกเราก็ยังให้เงิน <c oughs> เราให้เงินไปพิมพ์หนังสือธรรมะไปแจก แต่คนรับเนี่ยเขาจะได้ธรรมะแต่เรานี่เราได้บุญจากการสละสละทรัพย์ไปสร้างเป็นพิมพ์หนังสือธรรมะด้วยไปทำอะไรต่างๆเป็นสื่อธรรมะให้แก่ผู้อื่นเนี่ยเรายังไม่ได้มีธรรมะโดยตรงเราเอาธรรมะของผู้อื่นไปเป็นให้แก่ผู้อื่นด้วยการเสียสละเงินของเราด้วยการเสียสละเวลาของเรามาทำให้มีธรรมะนี้ไปแก่ผู้อื่น ดังนั้นอันนี้สอ์ที่เราได้รับมันเป็นยังก็ยังถือว่าเป็นวัตถุทานอยู่เป็นการเสียสละเวลาเสียสละเงินทองของเราอยู่ยังเรายัางไม่มีธรรมอันนี้สอที่จะเกิดจากการมีธรรมนี่ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมต่อไปคำถามจะคุณสมสุขนะครับถ้าเราฝึกภาวนามาสักระยะหนึ่งแล้วเจ้าค่ะผลจากการปฏิบัติรู้สึกว่า กายวางใจวางต่อไปควรฝุดหัดพิจารณาอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ <c oughs> ไปทดสอบดูว่าวางได้จริงหรือเปล่าไปให้มันนั่งให้มันเจ็บแล้วปล่อยให้มันเจ็บไปได้ไหมอย่าไปขยับได้ไหไปอยู่ในที่น่ากลัวว่าอาจจะเกิดความตายขึ้นมาเนี่แล้วทำใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้หวั่นไหวได้หรือเปล่าอันนี้ตอนนี้เรากาลังทาการบ้านอยู่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบ ขั้นต่อไปก็ต้องไปเข้าห้องสอบไปหาที่ทำให้ใจเราวุ่นวายแล้วดูซิว่าเราจะคุมมันได้ไหมกลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นความกลัวเนี่ยเป็นข้อสอบของเราเราดับความกลัวด้วยด้วยธรรมะที่เราปฏิบัติได้หรือเปล่าถ้ายังดับไม่ได้ก็แสดงว่ายัางใช่ไม่ได้ยังสอบตกอี่คำถามจะคุณยุ่งฝ่านะครับ ขอถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติภาวนาในแต่ละขั้นถ้าไม่เข้าใจจําเป็นจะต้องให้รู้แจ้งแทงตลอดในแต่ละขั้นตอนหรือไม่ครับหรือว่าไม่ต้องไปเข้าใจภาวนาไปเรื่อยๆมันก็ต้องเข้าใจการภาวนาะมันเป็นมันมีมนเหมือนสร้างบ้านคนสร้างบ้านก็ต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรก่อนทําอะไรหลังสร้างบ้านมันก็ต้องสร้างรากฐานก่อนตั้งเสาก่อน ตั้งคานตั้งอะไรก่อนแล้วค่อยมุงหลังคาไม่ใช่จะมุงหลังคาตั้งแต่เริ่มสร้างเลยไม่ได้หรอกมันก็ต้องรู้ขั้นตอนของของแต่ละขั้นว่าเราต้องทําอะไรก่อนอย่างที่สอนนี้อยู่เรื่อยๆขั้นตอนแรกก็คือต้องรักษาศีนแปดให้ได้ก่อนถ้าอยากจะปฏิบัติภาวนาล้วก็จะได้มีเวลามาจเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องถ้าเรามีสติแล้วเราก็นั่งสมาธิก็จะได้ผลจิตก็จะสงบ พอจิตสงบแล้วเราก็จะมีพลังที่จะพิจารณาทางปัญญาเพื่อปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงความอยากต่อไปได้มันมีขั้นของมันคำถามจะคุณอนาคินถ้าตัวกระผมอยากออกบวชแต่พ่อแม่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วท่านจะผิดอะไรไหมครับแล้วถ้าตัวกระผมออกบวชเองแล้วมาบอก พ่อแม่ที่หลังกับผมจะผิดไหมทางทางศาสนานี้เขาบอกว่าคนจะมาบวชนี่ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ต้องรับรู้ก่อนเอ็นบวชไม่ได้นอกจากไปโกหกถ้าไปโกหกบวชแล้วเขาก็ไม่จับศึกเพราะว่าไม่ถึงขั้นที่ต้องเสร็เพราะตอนโกหกนี่ไม่ได้เป็นพระเป็นคารวะเอ็นบวชแล้วก็จับศึกไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นปาาชิก ไม่ได้โกหกหลอกลวงใครฉะนั้นแต่ตามธรรมเนียมเขาจะไม่บวชให้ถ้าไม่มีพ่อแม่มารับรองอย่างเรานี่ไปบวชกับสมเด็จพระสังฆราชเราไปคนเดียวไปติดต่อท่านก็ถามว่ามีพ่อมีแม่ไหมเราบอกมีท่านก็บอเอาพามาพบหน่อยสิท่านบังคับให้พาพ่อแม่มาพบคนใดคนหนึ่งก็ได้ให้แม่มาก็ได้ ก็เลยต้องเรียกแม่มาพามาพบท่านถึงจะท่านถึงจะกำหนดวันบวชให้ตามศาสนานี้ต้องได้รับการเห็นชอบจากบิดามารดาก่อนถึงจะบวชได้คำถามข้อต่อไปจากคุณจุกธาทิภ์หลังเดินจงกรมนั่งสมาธิเวาเวลานอนรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจเส้นเลือดที่หน้าแขนมือเต้นตามจังหวะหัวใจ ผลแบบนี้เกิดจากอะไรเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้หรือไม่คะก็ไม่รู้อย่าไม่ใช่ประโยชน์อะไรจะรู้ไม่รู้ว่ามันเต้นก็เต้นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่ประโยชน์ก็คือเราไปได้มีความรับรู้ที่ที่เด่นขึ้น เ, เวลามีสตินี่มันจะรับรับรู้อะไรได้เห็นชัดขึ้นเพราะถ้าไม่มีสติมันจะไปคิดเรื่องนน้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่มารับรู้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นกับกับร่างกายของเรา นันก็แสดงว่าเป็นผลที่เกิดจากการมีสติมากขึ้นก็เลยทำให้เรารับรู้เรื่องของร่างกายแต่เรื่องการรับรู้เรื่องของร่างกายก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรคําถามจะคุณตันหาภาวะตันหานะครับศีลห้าหรือศีลแปดเราสามารถกำหนดเองด้วยใจได้ไหมครับแล้วถ้ากระผมถือศีลแปดอยู่ทางโลก ตั้งใจภาวนาด้วยตนเองจะผิดไหมครับหรือจำเป็นต้องไปรับศีลกับพระอย่างเดียวในเมื่อผมไม่มีโอกาสเข้าวัดไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเนื่องด้วยภาระ ห, ะหลายอย่างของทางโลกปิดตัวเข้าวัดไม่ได้เลยครับกับผมแต่ใจผมมันบวชไปแล้วก็ศีลนี่มันไม่ได้อยู่ที่พระมันอยู่ที่เรา ที่เราไปหาพระเพื่อไปถามว่าศีลมีอะไรบ้างเมื่อเราที่ถ้าเราไม่รู้เราจะได้รู้จากการไปถามผู้ที่เขารู้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นการไปรู้หนเดียวก็พอขอศีหลหนเดียวก็พอพอรู้ว่าศีลหน้าเป็นยังไงศีลแปดเป็นยังไงเราก็รักษามันไปเราก็มีศีลขึ้นมาศีลไม่ได้อยู่ที่การขอหรือไม่ขอศีลอยู่ที่การรักษาหรือไม่รักษาถ้าไม่รักษาก็ไม่มีศีลได้ขอ จากพระมากลับมาบ้านก็โยนทิ้งไปออกจากวัดก็โยนใส่ทังขยะยาไปออกมาก็พูดจาหยาบคายโกหกหลอ ก, ล, อกลวงกันไปอย่างนี้ก็มันก็ไม่มีศีลอยู่ดีศีลไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่พระการไปหาพระนี่เพียงแต่ไปศึกษาเหมือนเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราไปโรงเรียนเพื่อเราไปศึกษาความรู้จากครูอาจารย์ให้รู้แล้วเราจะได้นาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ศีล น, นี่ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเรา ถ้าเราไม่รู้เราก็ไปถามว่ามีอะไรบ้างพอเรารู้แล้วทิ้นแล้วก็เอามาจดเอามาจำอย่าให้มันลืมแล้วก็พยายามรักษามันให้ได้ถ้าราักษาได้เราก็จะได้รับประโยชน์เพราะคนรักษาสีนได้รับรองได้ไม่ติดคุกติดตารางที่ไปติดคุกติดตารางกันก็เพราะมันไม่รักษาสีนกันคำถามจากคุณพุทธิชาตินะครับ พุทธคุณในพระเครื่องที่พ่อแม่ครูอาจารย์ปลุกเสกไว้สามารถปกปักรักษาตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนครับก็บอกแล้วไม่ได้มันเป็นวัตถุมันไม่ได้เป็นพุทธคุณพุทธคุณมันอยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่าจะมีพุทธคุณต้องรักษาศีลต้องนั่งสมาธิต้องเจริญปัญญาของพระพุทธเจ้าถึงจะมีพระพุทธคุณเกิดขึ้นมามต่อให้ครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้ามานั่งปลูกเสกมันก็ยังเป็นแค่วัตถุนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ปลูกไม่เสกไงมีแต่พวกพระปอมทั้งหลายที่มาปลูกมาเสกกันเพื่อไปบงังคับพระที่ท่านต้องตามใจปลูกให้เพราะเก่งใจกันบางทีมีบุญมีคุณกันก็ท่านก็เมตตาสงสารมาให้ปลูกท่านก็ทากขมบขมิดหนับตาหน่อยก็คิดว่าปลูกแล้วท่านก็เล่นละครให้เราสบายใจทั้งเองเมื่อมันยังเป็นเด็กอยู่ไม่รู้จะสอน ม, มันยังไง สอนเรื่องที่ผู้ใหญ่มันก็สอนไม่ได้มันอยากมันมันได้แต่เรื่องของที่เป็นของเด็กก็เลยต้องทาให้เป็นเด็กไปแต่มันเป็นเด็กดีอ่ะมันเป็นเด็กรับใช้เรามารับใช้ศาสนารับใช้คนอื่นเป็นคนดีแต่มันยังโง่อยู่สอนความจริงให้มันมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็คิดว่าถ้าครูบาอาจารย์จับน้มปากบ่นหมุดเบ็บไปในแสดงว่าท่านปุกท่านเสกไข้ละ ก็ดีใจแล้วเอาไปห้อยกันเอาไปแจกกันแนะมันไม่มีหรอกพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาคำถามข้อต่อไปจากคุณนายขนมต้มก็ผมอยากจะทราบว่าวิธีที่จะยกสภาวะของจิตให้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมผมควรปฏิบัติอย่างไรครับก็ศีลสมาธิปัญญานี่ยรักษาศีลไป ภาวนานั่งสมาธิไปจเจริญสติไปได้สมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาไปจิตก็จะสูงขึ้นไปตามลําดับจากปุตุชนไปเป็นโสดาบันจากโสดาบันไปเป็นสกีดาคามีจากสกีดาคามีไปเป็นอนาคามีจากอนาคามีไปเป็นพระอาหารหันต์ไปไปนิพพานกันเกิดจากการเจริญศีลสมาธิปัญญานี่คําถามจากคุณเกษรา ถ้าลูกไม่ได้ไปทำบุญแต่ลูกซื้อบาตเอาเงินทำบุญที่บ้านทุกวันแล้วค่อยเอาไปทำบุญจะได้ใหม่เจ้าคะตอนที่เอาใส่บาตรก็ยังไม่ได้บุญเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปเพียงแต่เป็นการเตรียมการไว้ก่อนจะได้บุญก็ตอนที่เราเอาเงินที่เราใส่บาตรนี้ไปมอบให้คนอื่นไปถึงจะได้บุญคำถามจากคุณวันนิพาเวลาสวดมนต์ในแต่ละครั้ง ทั้งตัวจะออกสีชมพูผิวพันเป่งตังสวยงามเส้นเอ็นไม่มีเลยค่ะยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวแต่พอสวดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างกลับมาสภาพเดิมไม่สดใสก็เลยพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเห็นกันเดี๋ยวนี้เลยและที่สดใสสวยงามเป็นเพราะอะไรคะก็ เ, เพราะอุปท า, านมั้ง คนอื่นเขาดูว่าคงจะไม่เห็นเปลี่ยนแปลง แ, ลแต่เราดูเปลี่ยนแปลงไปคนของเราคนเดียวคำถามจากคุณอ น, นิจจังนะครับหนูทำงานเป็นแคชเชียร์ในซ u เปอร์มาร์เก็ตที่เขาขายเหล้าขายเบียรเราจะผิดศีลข้อห้าไหมคะออศีลข้อห้าไม่ผิดถ้าเราไม่ดื่มจะดื่มมันจะผิดใมันเป็นไม่เป็นสัมมาอาชีพเท่านั้นเองอาชีพที่ไม่ควรกระทำ อาชีพขายสุราเนี้พระพุทธเจ้าบอกอย่าทำเพราะมันไปส่งเสริมให้คนทําผิดศีลทาส่งเสริมให้คนได้ดื่มสุราแล้วก็ไปทําบาปข้ออื่นต่อไปเพราะเวลาดื่มสุราแล้วมันเมาแล้วมันก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็จะไปทําบาปต่อผู้อื่นแม้เขาทําด้วยหน้าที่ก็ตามเหรอครับพระอาจารย์ก็ไม่บาปไงเพียงแต่ว่าไม่เป็นอาชีพที่ทําเพราะไปส่งเสริมให้คนที่ไปกินเหล้าแล้วก็เมาแล้วก็ไปทุบตี ภรรยาไปทุบตีลูกแล้วไปขับรถพลิกคว่ำชนคนอื่นตายอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นโทษตามมาเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะส่งเสริมกันคําถามหมดครับอาจารย์ก็ดีเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีแถวนี้มีใครอยากจะถามย<ม>ัไงไหมมาจากที่ไหนกันนายองครับนายองนะมาด้วยกันทั้งหมดออกนี่กรุงเทพเพิ่งมาข้างแรกเลยครับู้จากที่นี่ได้ยังไงมีพี่ที่เ